ทำกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมโลกเรามีหวอกกันเดียวกันาจากว่านจากเรือนรางานราการมามาถือบวชมาปฏิบัติออกจากเรือนไปเกี่ยวข้องโดยเรือน มีบทเรียนหลายๆอย่างหลวงตาจะพูดให้ฟังสิ่งที่พูดนี่มีอยู่ในเราด้วยมีอยู่ในคำภีตำลาด้วยไม่ใช่ลมล ม, ลมแรงแรงพวกเราก็ไม่ใช่ตาสีตาสาโง่โ้ า, าโตตุนเป็นการศึกษามาปัญญาชนทุกคน วันนี้ก็เป็นวันที่20สิบพฤษภาคมพุทธศักราช 2,550 ตรงกับวันแรมหนึ่งคร่มเดือนหเมื่อวานนี้เป็นเพ็ญเราก็ได้ความจิตกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญในทางพุทธศาสนา ท่โลกกันเป็นวันสาคุของโลกวันวิสาขาบูชานปารี้พระพุทธเจ้าของเราพงเจางมองต้นชีมหาโพธิ์อย่างไม่กระพิปตาเสวยมุติสุขเพราะความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพระ อ, องค์ พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกพร้อมพรธรรมสมบูรณ์แบบทำอันใดที่ทำให้เกิดการตัดสรูขึ้นมาทำยังไงได้บทเรียนจากตัวเองไม่มีครูสนอนเมื่อก็เราสวดเมื่อกี้นี้สติปัะญาน กายนเวทกายนุปัจนาเวทนานุปนัจนาจิตตานุปัจนาธรรมานุปัจนามันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาในเวลามีสติเวลาทำความเพียรเวลาบำเพ็นดังกิจแล้วก็ไดตรวจจิ่งเหล่านี้สอนให้หลงสอนให้รู้ด้วยกายก็สอนให้เราหลงก็มี กายก็สอนให้เราลูกก็มีเวทนาก็สอนให้เราหลงก็มีเวทนาสอนให้เราลูกก็มีจิตสอนให้เราหลงก็มีเป็นทุกข์เป็นสุเนขเพราะควจิตก็มีธรรมสอนให้เราหลงหลอสอนให้เราลูกก็มีก็ได้บทเรียนไปจากของจริงคือร่างกายนี้ปฏิบัติอย่างนี้เป็นหนึ่งก่อนจึงมามีตําราทีหลังเรียกว่าประไตรปดก มันมีอยู่ในเราว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระธรรมเกิดขึ้นมาทันทีทำมันได้ทำให้เกิดการตัสงรูปลู่รอบบริสุทธิ์บริบูรณ์เชิงเชิงมีอัตทะมีปัญญชนะออกมาพูดมาสอนผู้คนได้นับจากนี้ไปประมาณเดือนกว่า จึงได้แสดงทมกำลังวางแผนจะทำอะไรไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเรื่องนี้ครบาอาจารย์ก็ไม่สอนแม่ไปแสวงหาครูบอาจารย์ที่ใดอุตตกาดาบทอราระดาบทท่านก็ไม่พูดเรื่องนี้มาเป็นการตัดสู้เองโดยชอบขึ้นมา จะเอาอย่างไงดีในเวลานั้นประเทศนียมีลัทธิแท่งหนามากมีกษัตริย์พร้อมแพทย์สูตรจันทานในคนที่มีวันาะถือกันมากแต่พระองค์ก็ปฏิวัติออกปวดจากกษัตริย์เขาเก้าผม เจอตะโกนผมที่นุ่งองฝาดไม่ใส่เครื่องประดับตกแต่งอะไรมันก็แปลกที่จะไปสอนใครก็าวางแผนยุ่งยากไม่เหมือนพวกเรานะ <c oughs> พวกเราในเวลานี้มีที่หลงรับเจเย็น การเผยแพ่ก็เป็นรูปแบบอย่างหนึ่มีวัดวารามมีสำนะสาวูปเป็นพระเป็นสงบารสกบไจกาวัดวารามแต่ขณะที่พองอยู่ในสีมหาโพนสวยบุดิสุขก็วางแผนที่จะไปทำไงมองหาคนที่จะบอกจะสอนใครถออจะมาดูเรื่องนี้จึงมองเห็นกันจวิขีที่เคยอยู่ด้วยกันมา คงจะพอฟังนะ่ะเดอนกลักวๆเดินทางจากพุทธกยาไปถึงพระลาณจีตามไปกระแสไปเพราะพระลาณจีนี่มีอิสิปตันนักมฤคดาวันเป็นที่ของพามของ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 เพื่อเป็นส่วนประกอบให้ท่านผู้ฟังไม่ดุ้นเดาเดินทางออกจากสีมาโผมีอุปการีบคนดั่งเห็นก็เกิดหน้าเรื่มใสอยากถามก็อยากก็ถามดูทำไมจึงสำนัก ตรงนี้จึงมีลักษณะท่าทางสงาราศีให้เหมือนชณะอื่นๆก็อยากถามก็ถามท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมท่านยังมีผิวผันผ่องใสนี่หนักครูของท่านคือใครใครเป็นครูสอนท่านแต่ม่นั้นก็อวดอวดกันเรื่องครูเมื่อเจอกันก็พูดที่ว่าเรามาอะไรเราเป็น พเราเป็นกษัตริย์เราเป็นแพทย์มาจากตระกูลนั่นตระกูลนี้ครูของเราคือครูท้งงบ อ, อะไรก็ว่ากันไปครูคกิดใจนะอะไรครูท้องอบเราเคยเรียนมาจำไม่ได้เมื่อพระอุปกาเชีวกคนนั้นถามอย่างนั้น ทำไมไม่เหมือนครูของเราที่เคยอยู่ด้วยกันมาพระพุทธเจ้าก็ตัดขึ้นอย่างไม่กะไรเลยเราเป็นชาวเสียมภูตัดสรุเองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูของเราผมปลาชีวกอะเร่รีดใฉเลยไม่รู้อะลาหนีไปคุยโวกันไปไม่ฟังเลย แทนที่จะได้ฟังธรรมพอเห็นแล้วก็ไม่ชอบทันทีถอนความพอใจแลกความไม่พอใจออกไม่เป็นดวนรับดวนประเศดทำพูดแบบนี้ไม่ชอบผุปการชีวก ก, ก็นั่งก็อนหลังหนีไปงเางนได้บทเรียนเลพระพุทธเจ้าได้บทเรียนโอ้เราพูดมากกินเลหนีเยินไป เดินไปถึงปัญจวิชีเลยเกตอนไปพบทีแรกเห็นปัญจวิชีอยู่ปัญชีหนีไปเลยก็จจำได้จากเรียนวกกว่าเท่าเสียเถะสำนักมากมามาแล้วตามมาแล้วพวกเราอย่าตอนรับเพราะคนล่มเหลว ไปนี้ไปเดินไปไปไปที่ถึงอิสิปตนะร ะ, ะรบาดไปพักที่นั่นแต่พุทธเจ่าก็ตามไปก็ตามไปีกเพร า, ามปัญจพิชีทั้งห้าก็เอามาอีกแล้วสำนัจมากมากมาอีกแล้วเพราะเราอยากสนใจแต่จะนั่งก็นั่งได้ไม่นั่งก็แล้วแต่ไม่ต้องต้อนรับอะไร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 เราจะบอกปัญจพิชีซึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาเดยเพราะโกนทยาผามเราขอโรคเป็นสัตบุรลุษเป็นบรรพุลุษของเราดูก่อนดูก่อนวังเราตัดสู้แล้วออกคำว่าได้ยินว่าตัดจรู้โกนทายาผามหันหน้ามาใส่ ส่วนวันปปะพดิยะมหานามอาศาชิยังหันหลังให้อยู่ไม่สนใจก็เลยอาอาจาระไปวูให้นั่งให้แสดงธรรมก็ปรากฏว่าวันนั้นเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาอัญญาคุณดัญญะการเทศนาของพระเจ้ากันแรกคือวันเป็นเดือนแปเดียววันอาศราบุยชานับจากเดือนหไปถึงวันถึงเดือน8ดแน่ เท่ า, านเดือนกว่าๆก็เกิดพระสงฆ์ขึ้นมาตามลำดับอัญญากฏัญญารูก่อนบ๊อปพัทยะมหานามะรูกที่หลังที่หลังสี่วันห้าวันสิบวันเจดวันไปเกิดเป็นพระสงฆ์ขึ้นมามีสาํานะอาเมรัตระสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมบูรณ์แบบพระองค์จึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพทุทโธ สามาสอนคนอื่นให้รู้ตามได้มีหลักฐานการเที่ยวามาปฏิบัติทำไรอย่ามาเชื่อเราให้ทำละตามคําสอนของผู้เจ้าโน้นเราจะบอกวิธีให้รู้เรื่องธรรมะที่ผู้เจ้าแต่จะรู้ไม่ใช่เราวิเศษกว่าผู้ทีเจ้ามาลู่มาเห็นด้วยกันน่ะมันจะเป็นยังไงถ้าไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเลยนี่มันจะเป็นยังไงประเทศชาติผู้คนมนุษย์ทั้งหลาย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 ในที่สุดมีจักขีพยานเฉลยขึ้นมาปัญญผีตั้งห้าอยู่ไปเอกไม่นานเอา้าเอาสาว ก, กุลาบทเป็นลูกเสือตีในพาราณสีนั้นล้องออกมาตอนเช้าประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยทุกหนอทุกหนอออกจากพาราณสีมัาอีสิปันนะเพราะที่นั่นเหมือนที่ ปดปล่อยทั้งสัตว์สาลาสิ่งใครมาอยู่ก็ไม่มีอันตราย mm hmm. เมืองภา ร, ราศีกันไวัยเป็นที่ปุดปล่อยของสัตว์ทั้งหลายกำนหนะฤาษีชีภัยมาใช่กัน mm hmm. ยาจากกบทก็ลู่ก็ mm hmm. เดินมาอาจจะมีฤาษีชีภัยอยู่แถวนี้บ้าง mm hmm. ทุกหนอทุกหนอขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังจงกมอยู่ ประมาณนี้ค <c> ำ <oughs> นวณดูนะมโหภาพนะตอนเช้ามืดไอ้สาวคนโสดออกหนีจากบ้านมามไม่ให้ใครรู้วันนี้กาลังคนกาลังหลับมาก็มาถึงอิสิปตนะทุกหนอทุกหนอวุ่นวายเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินตั้งที่เป็นลูกเศษีควรคนเดียว ก็ยังมีทุกข์นะน่าจะไม่ทุกข์เลยอะไรก็ไม่อดไม่ยากพระเจ้าโดนจงกรมอยู่ก็เรียกขึ้นตอบที่ไม่วุ่นวายที่ไม่ทุกข์หนอไม่ทุกข์ที่ได้ไปวุ่นวายที่ไม่มีทุกข์มาที่นี่เถิดจะจับคนบวได้ยินเสียงตรงกันข้ามกับความเป็นในชีวิตจิตใจของตน ถอดรองเท้าเดินเข้าไปเจ้ากูจงกรมอยู่ก็แสดงทําให้ฟังในอนุภูมิกถาทั้งห้าเหมือนกับซักพอกชีวิตจิตใจมันเพื่อนมาด้วยความทุกข์ด้วยความวุ่นวายชีวิตของยักษ์จึงออกมาเป็นการพูดทุกหนอทุกดอกวุ่นวายหนอะเหมือนเสื้อผ้ า, าที่มันเปิดเพื่อนมาผู้เจ้าก็แสดงทำอนุภูมิกถา เหมือนกับซักให้บันาสดแล้วก็ย้อมให้ทำประเทศชนานั้นที่เสร็จโปรดยาสาคคนบดในที่สุดยาสาคคนบรก็ได้สำเร็จดวงตาเห็นธรรมถือบวชเหมือนกับปัญญพีเข้าไปแล้ววิรามานดาบริวาลของยาสาคนเอ่อยสบดไม่เห็น ตามหาวุ่นวายกันเออท่านั้คงจะไปอีสิโน่นละ่ะใครก็ไปโน่นเธอโน่นก็มาก็มาเห็นรองเท้าอยู่หน้าวัดพ่อพ่อก็จําได้บิดาของยาศากุลบทเศรษฐีจําได้นี่รองเท้ายาศากตามก็ไปไปเห็นยสะกุลบทบ ว, บวชเสร็จแล้วนั่งล้อมพระพุทธเจ้าอยู่เศรษฐีบิดา มันดาเพื่อนของยาสากุกรธก็ไปร่วมฟังธรรมขณะที่โพรยาสากุณลมโกย่เอา้าก็เลยทั้งปัญญาเก่าด้วยนะไปด้วยกันนะพระเจ้าก็แสดงธรรมก็ได้เกิดเรื่องสายชะตาเป็นอุบาศกอุบาสิกาคนแรกเกิดขึ้นขณะนั้น ภสุภิกษุณีภิกษุอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบาสกบาจิกาเกิดขึ้นในนั้นเป็นคนแรกคือพ่อของยสะแม่ของยสะพันญาของยศกุลบุตรเพราะในมวลพระเจ้าข่อหมู่สงปฏิธียสะไปฉันที่บ้านโปดยอดดวเท่าไหลายเพื่อนของยศกุลบุตรเห็นยสศบวช เอามาถือบวชอีกสี่้าคนนะแับเออมันก็เกิดขึ้นมานี่หลักฐานาใครล่ะเน่ไม่ใช่ไกลที่ไหนเขาคือพอสมควรผู้คนทั้งหลายปัญญาวชียาศจาคนบวชเพื่อนเนีจากคนบวชนบจากนั่นไปอีกพระพุทธเจ้าได้สั่งให้พระสงฆ์ที่เป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงแห่งมาร พวกเราไปได้แล้วไม่ต้องอยู่ตรงนั้นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคุณใจคนถ้าเสียงนี้ไม่เป็นความจริงไปบอกไปสอนผู้คนนั้งหลายที่เขาหลงเขาไม่รู้ให้เขาได้รู้เรื่องนี้เข้าไปไปเธอไปเธอพวกเราอย่าไปทางละลูกทางละสองลูปนะให้ไปทางละลูยยกแยกย่ากันไป เราก็จะไปยังอุลุเวลาเสนาในคมคือราจะคืที่ได้นัด ก, นกันกับพระเจ้าพิวพิสารสมัยเสียถอออกทรงปนะหดจึงเป็นเมืองอาษัตริ์ด้วยกันอาพระเจ้าพิวิสารก็ก็พระเจ้าสโธธนะเป็นกษัตริย์ด้วยกันของบ้านกองเลืองตามหัวเมืองต่างๆมาก็ให้ บอกว่าเออถ้าเสียทะคนพบจะจำเจ่าไหนคนนำ ม, มาบอกด้วยเด้อมาบอกด้วยอย่าทิ่งพ่อนะออออก็ไปไปบอกไปสอนนี่คือความประกาศพระศาสนาจึงเกิดวัดแรกขึ้นมานับจากวันเพ็ญเดือน8ปไปถึงวันเพ็ญเดือนสามประมาณ9้าเดือน มีพระอรหันเกิดขึ้นหนึ่งพันสองรอยห้าสิบลูกเนี่ยนับไปดูสิทำไมได้มาจากไหน 1, หนึ่งันสอรยหสิบลูกนะเพราะพูดเจ้าจำอยู่ที่ปีระวนันพระเจ้าพิษสารสร้างให้เป็นวัดวัดแรกที่สุดเลยในวันเปิด น, นั่นสาม ภิกษุทั้งหลายที่ดยกกันไปต่างไปเผยแพร่ได้ผู้รู้เติมวัาปะอาญาโกนญะว่าปะปัญญมหมานามะอาจจะคิความทั้งยาจักกงก้กันไปก็ในวันเป็นนั้นสามดันมันเป็นวันประเพณีของชาวอินเดียใช่ไหมโบราณเขาก็เคยไปร่วมกับเหมือนกับพวกเราแ่ะวันสงการเราไปอยู่ที่ไหนก็กลับบ้าน ไอ้วัน อ, อะไรของกินนะอะไรก็ก็ไปจุดกินคนก็พักผ่อนไปจุดกินกลับบ้านกลับช่องไหว้บรรพูหลุษแต่ที่พระอาหารหันเนี่ยเกิดขึ้นมาจะไปไหว้ใครมันไม่งู้หลงงมาแล้วจะไปหาใครละ่ะไม่กลับไปทําหาบรรพูหลุษไปทําพิธีดีตรงเล่นสองการเหมือนคนไทยไปตุดกินเหมือนคนจีน กลับบ้านกับช่องเที่ยวเล่นขี่รถเล่นเที่ยวโน่นเที่ยวนี่พระอรหันตเหล่านั้นน่ะที่เกิดจากการเผยแร่ผล ง, งานของภิกษุที่ไปเผยแร่เกิดขึ้นมาก็ชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะวันเป็นเดือนสามเป็นวันสำคัญของกัปปิ น, นีของเขาหลวงตาก็เคยไปเวียนเทียนที่สารจีเมืองลักเหนา ไปเป็นเพนเดือนสามน่อพอดีเอาไปเจอพิธีของเขาเขาเรียกว่าวันอ่าวันอ่าใส่ร้ายป้ายสีเขาสนุกสนานนะใส่ร้ายป้ายสีวันสงกานบ้านเราน่ยเล่นมอมกันเหมือนคนโบราณมอมมันมีแป้งเอาเอาเอาเอาก้นหม้อเอามือไปเท้าก้นหม้อดำๆไปป้าหน้ากันก็ไม่ว่ากันไม่โกรธกันในวันนั้น เดี๋นี้ก็มีแป้งไม่มือนไม่มีก้นหม้อเหมือนเมื่อก่อนเนาะใช่ไหมใครเกิดอายุเจ็ดสิบแปสิบปีคงเห็นสมัยนั้นนะก็มีแป้งเอาก้นหมอ้อดำๆไปเปาะกันนะนี่ก็เหมือนกันละ่ะลันดาเคไปเวียนแทนอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่สารขีแล้วก็เล่นเงินไปจสลไสล่ป้ายสีเขาจะมาป้ายเราสีของเขาเนี่ยักไม่ออกนะ หน้าก็โอ้ยเป็นเดือนละจึงจะถ่าออกแต่ว่าไม่ใช่สีดำเป็นสีต่างๆาสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีอะไรถึงต่อใส่เสื้อเขียนเลยเลยเราก็นั่งอยู่ที่ที่วัดในสันกีสันกีแล้วก็เฮขึ้นมายๆมาเห็นม่เห็นลงตานั่งดู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 จัวสวยงามที่สุดเลยเฮ้ยเป็นนั่งดูอสองสามพันปีเอ้าใจพุทธเจ้าเลยมาดูปีเหมืองคนโบราณนั่งอพอดีพวกกัเล่นใส่ไล่ไปสีขึ้นไปอ่าอ่ออ า, า, าะอาาาะไรวะอะไรวะอะไรวะมันเห็นเรานึงว่าองค์ไดไรมะเป็นนักบวชได้เลยลยมะมาได้เลยลยมะายลายามา ลุมเข้ามาหาเราเราก็นั่งหลับตาเฉยพอมาใกล้ๆล้วก็ยดเสียงลงเอารินตาขึ้นมาก็คานเข้ามาเอาเสมาติดจีวรเราน็ดหนึ่งมันก็ออกนี้ไปเออนี่ก็ดีมากกันไม่ใช่ถึงเนื้อถึงตัวเหมือนก็เล่นจงการบ้านเราทุกวันเนี่ถึงเนื้อถึงตัวกันเลยแต่ไล่ไปสเส็พวก พระอรหารทั้งหลายที่เกิดจากการเผยแร่ระหว่างนับจากเดือนเป็นเดือนแปดถึงเดือนสามกนแวนแปดเข้าเดือนเกิดพระหลันหนึ่งพันสองรอยชิวไปรวมกันที่อิสิ ป, ปัตาที่ป่าเวลวนสวนเบรวนวัดุงราชคือเดินทางไปไปพบ พ, บ พ, บพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้ น, นัดหมายเลยไปอยู่ที่นั่นพระเจ้าออาจารย์น้ พระสงฆ์ที่มานี่มารวมกันไม่ได้ดัดหมายตั้ง1250รลูกล้วนเป็นผพรันทั้งหมดเลยแสดงโอวาทปฏิโมกเนี่ยขนาด89เ้าเดือ น, นมีผพรันเกิดขึ้นหน่รลูกนี่คือผลงานของธรรมะที่เป็นหลักฐานความจริงที่ปรากฏการสมัยพุทธกาล อันนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ทรงสินเขียนป้ายไว้ในวัดว่าที่นี่ไม่ทุกเลยที่นี่ไม่ทุกเลยอยากแต่บอกกนะันไหมเหมือนกับอิสิปัตระบูท่เลาพู ด, พดคํานี้ออกมาที่นี่ไม่ทุกที่ไม่วุ่นวายมาที่นี้อย่างเขียนไว้เลยไอ้วัดที่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ทุกมาที่นี้อยากเอมันจะเกินไปเนาะก็เพียงแต่เขียนว่าปาราสุกุโตสถาบันสติปัฏฐานเท่านี้ก็คุยแล้วใช่ไหม มีวัดใดที่เขียนอย่างนี้บาไม่มีเลยจุกโตก็เขียนลงไปท่าทางสักหน่อยหนึ่งสถาบันบางที่สถาบันการศึกษาอะไรเป็นสถาบันอ่ะเราไปตั้งขี้สถาบันแต่ไปสมัยก่อนสถาบันราชพัฒน์เขียนกันอวัดเนี่ยมาเขียนสถาบันอะไรเป็นสถาบันมีคณะอะไรไม่มี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 เ <c oughs> คยทุกเคยไปสอนอมหาวิเลยพยับเชียงใหม่สอนบนหมาหลวงเขามาถามเลเด้อเรามีคนเหมือนกันคนเรามีมีเหมือนกันคือกายกับใจใครมีกายอยู่เนี่ยเอาถามนี่ก็ใครมีกายอยู่เนี่ยยกมืขึ้นดูจ <c oughs> อ เอาใครมีปัญหาเรื่องกายใครมีใจอยู่นี่ยกมือขึ้นดูใครมีใจเรามีใจใครมีปัญหาเรื่องกายเรื่องใจยกมือขึ้นดูสิเราก็ยกมาถามบาทหลวงเขาเอาใครเคยแก้ปัญหาเรื่องกายเรื่องใจเลยยกมือขึ้นดูสิไม่มีใครเราเรายกมือขึ้นก็ะลยพูดแล้วนี่กัน น, นี่สถาบันของเราให้บรรหมดสาปัญหาเรื่องกายเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายมีไหม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 กมีปัญญาชนนั้งหลายมาเจิ่งเสอะเราดูพิสูจน์ลองดูชีให้สุดฝีมือเราหนูทำยังไงมีสติสัมป็ัญญะมีสติสัมป็นเญอะตั้งอยู่อย่างที่เราสอนนะประคองตั้งจิตไว้มีสติสัมป็นเยะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกคือกายคือใจออกให้เห็นมันรู้ ก, กายสักว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราของฐานกรรมฐ า, านอยู่ตรงนี้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 ภาระปัญหาเรื่องการเรื่องใจไม่มีแล้วหมดลงปลงไว้ได้ตรัสรู้อนุตตรละสัมมาสัมโพธิญาในเมื่อคืนตอนลูกเช่าเมื่อวานนี้เกิดขึ้นมาแล้วพร้อมรัตบธรรมที่ทรงแสดงเรื่องนี้แล้วก็แสดงในเรื่องนี้มาตลอดแล้วใครบ้างที่พิสูจน์เรื่องนี้กันในคนไทย มีบ้างไหมที่มีสติหนึ่งวันสองวันตอน่อเนื่องกันมีไหมสองชั่วโมงมีไหมหนึ่งชั่วโมงมีไหมสามสิบนาทีมีไหมถ้ายังไม่มีก็ควรอย่างยิ่งพวกเราจะเป็นเพื่อนไม่ใช่เป็นอาจารย์ขอเป็นเพื่อนในเรื่องนี้กันจะไม่พาหลงทิศหลงทางแต่ว่าตั้งฐานมาเลมีสติ อย่าเข้าไปเป็นกับอะไรมันสุข ก, ก็อย่าเป็นมันผู้สุขมันทุกข์ก็อย่าเป็นผู้ทุกข์เรื่องสุขเรื่องทุกข์เพราะกายเพราะเวทนาเพราะจิตเพราะธรรมอย่าให้เป็นอย่าให้รสชาติมันมีสติอย่างเดียวรู้จึกรู้จึกเข้าไปสาธุษ า, า, าสาธุษาพระเจ้าหลวงวะกายจะว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเคยว่าเคยบอกตัวเองอย่างนี้ไหม เวทนาคือวันฉุกเป็นทุกก็ไม่ช่้จัดบุคคลตัวตนเราเขาคิดวันคิดโดนที่นีก็ไม่ช่้จัดบุคคลตัวตนเราเขาเคยสอนเคยกลับไปอย่างนี้ไหมหรือว่าเป็นเรกรองมันเลยเรื่องขอกายเอามาเป็นฉุกเป็นทุกข์เรื่องของเวทนามมาเป็นฉุกเป็นทุกข์ไปแย่งกันไปข่มขืนเอาไปชื้อเอาพ้นเอามาว่าความฉุกของเรามันเป็นความทุกข์ของเขาแต่ว่าเป็นความฉุขของเราก็เอา อันนั้นก็ไปถูกสเสวอ้อไปอะไรอย่างเงาลู่อย่างนี้พิสูจน์กันลองดูพิสูจน์กันลองดูให้สุดฝีมือเราอย่าไปเชื่อใครง่ายๆแม้ตัวปฏิบัติก็อย่าไปเชื่ออันความลู่อย่างนี้อาจารย์ก็หลอกลูกจิตไป่ได้ลูกจิตก็หลอกไปได้เช่นเรามือวางไว้บนเขานะ่ะเมื่อเราเยอยู่ไหนพลิกมือขึ้นเราใครเป็นคนรู้เรารู้เอง เราลูเองใครจะมาว่าลูมือเราอยู่ที่อื่นเราไม่เชื่ อ, <Yeah. S 1> พอเพราะรู้สึกตัวมืออยู่ตรงนีน้ยกมือขึ้นเราก็ลูไม่ใครบอกว่ามือของคนวางอยู่ไม่มีการเชื่อวางมือลงเราก็ลูมันคิดไปโน้นมันห ล, ลงเราลูเองมันลูมันความรู้สึกตัวเราสร้างกันว่ามันความหลงหมดไปเรารู้เองสัมผัสความลูความหลงลอ ง, ลองดูมันจะเป็นอย่างไรเวลามันหลงรู้สึกตัวเวลามันทุกข์รู้สึกตัว เวลามันโกรธรู้สึกตัวมันจะเป็นอย่างไรเรียกว่าฐานรว่าปฏิบัติหรือว่ากลับมากลับมาภาวนาคือขยันรู้ไม่ใช่มานั่งคิดหาเหตุหานะผลภาวนาคือขยันรู้เนี่ยเอามันก็หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวก็จะฟังได้ฟังเนาะก็สมควรละวันนี้นะนะนะ สมควรเจรจาอาขับตะพ่วมกัน